ความเป็นเอกในด้านของความเก่าแก่แล้วยังเป็นเอกในความศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนแวนล้านนาอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามการย้ายที่ปฏิสถานน้องท่านถึงห้าครั้งก็วนเวียนอยู่ในอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนั่นเองทีนี้เรามาทําความรู้จักกับอำเภอแจ้ห่มให้ดีสักหน่อยครับอันฐานะเดิมของอำเภอแจ้ห่มนี้เป็นเมืองใหญ่ชื่อวิเชตนคร ได้เล่าสืบกันมาว่าสมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาได้สเสด็จโปรดเวนยสัตว์ลุมาถึงภูเขาลูกหนึ่งอันมีนามในปัจจุบันว่าดอยพระบาทได้ทรงทราบว่ามียักษ์ตัวหนึ่งมีนามว่าอารวีอาศัยสิงสถิตอยู่ที่ดอยนี้มีสันดานอันจะหยั่งถึงซึ่งพระไตรสรณคมคือสามารถที่จะรู้ได้ แต่ว่าเป็นด้วยความหลงผิดก็เลยประพฤติ ช, ชั่วทําบาปหยาบช้าเบียดเบียนชีวิตมนุษย์และสัตว์จับกินเป็นอาหารอยู่เป็นเนืองนิดพระองค์ก็ทรงมีเมตตาคิดจะทรมานให้อลวียักษ์ละพยศารเลิกการกระทําอันเป็นบาปนั้นเสียพระองค์ก็เสด็จมายังดอยอัคโขาชัยคีรีที่สำนักของยักษ์ตนนี้ทรงกระทาการประรองฤทธิ์ทรมานอลวียักษ์ โดยธรรมวิถีประการต่างๆจนในที่สุดยักษ์อาวีก็ยอมแพ้ต่อพระองค์ได้กระทสาสักการะยอมอยู่ในพุทโทวะละพยศและก็สันดาน ล, ลงเสียได้โดยสิ้นเชิงมีความเลื่อมใสและก็ศรัทธาในบุญยญริ์และคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทาการอธิษฐานขอถึงซึ่งไตรสรณคมเป็นที่พึ่งแห่งชีวิตต่อไป เมื่อได้รับสินห้าจากองค์พระบรมศาสดาแล้วก็มีดวงจิตอันผ่องแผ้วสุขสงบอยู่ด้วยกระแสธรรมประกอบด้วยเมตตาจิตไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครอีกต่อไปขณะที่พระบรมศาสดาประทับปราบอารวียักษ์อยู่ที่ดอยอักโขชัยคีรีนี้บรรดาพระสาวกที่อยู่ทิศต่างๆได้ทราบข่าวต่างก็พากันม า, า ว, ว่าพระบรมศาสดาเป็นจานวนมาก แต่ไม่สามารถจะเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าณนะดอยอัคโคชัยคีรีนั้นได้เพราะความกลัวยักษ์อาวีก็เลยกันพากันยับยั้งอยู่ณนะที่ดอยอีกลูกหนึ่งเบื้องใต้ลงมาไม่ไกลนักที่แห่งนั้นต่อมาได้ชื่อว่าดอยกู่เต้าอปัจจุบันก็คือวัดกู่เต้าวนารามบ้านสวนดอกคําการต่อมาณนะชนบทแห่งนั้นได้วิวัฒนาการมาเป็นชุมนุมใหญ่ มีความเจริญรุ่งเรืองตามกาละสมัยอุดมด้วยการเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมได้นามว่าเมืองแจ้หม่มสมตามคำพระพุทธองค์พยากรณมีตลาดร้านค้าตั้งเรียงรายจากบริเวณที่ตั้งออกไปทางทิศเหนือปรากฏหลักฐานในปัจจุบัน ม, มีวัดเก่าแก่แต่โบราณอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองขึ้นไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรเศษมีชื่อมาแต่เดิมว่าวัดผ้าขาวหัวกาด นั่นแสดงว่าวัดนี้ตั้งอยู่หัวตลาดทางทิศเหนือนั่นเองปัจจุบันได้ชื่อว่าวัดภาคขาวณบริเวณที่เป็นตัวเมืองอันเป็นที่ตั้งคุ้มหลวงที่ประทับของเจ้าหลวงผู้ครองเมืองแจ้หม่มเรียงรายนั่นขนาดอยู่ด้วยบ้านเรือนน้อยใหญ่อันเป็นที่อยู่อาศัยของบรดาวงศาคนาญาติของเจ้าเมืองพร้อมผู้ใกล้ชิดเป็นนันมากเป็นบริเวณกว้างใหญ่อาศัยอยู่กันมาด้วยความผาสุขตลอดเวลายาวนาน รู้ถึงสมัยหนึ่งมีเจ้านายผู้ปกครองเมืองแจ้ห่มมีนามว่าเจ้าพญาเสือเป็นเจ้าเมืองมีเจ้าสุดใจเป็นแม่สีเมืองก็คือภรยาเจ้าเมืองแล้วก็ยังมีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพี่น้องกันกับพญาเสือสามท่านคือเจ้าอําพองเจ้ากาบคำแล้วก็เจ้าผาครังได้ปกครองเมืองแจ้ห่มอยู่เป็นสุขสงบตลอดมา ในปีหนึ่งถึงฤดูเทศกาลปีใหม่อันมีประเพณีรดน้ำดำหัวให้ท่านผู้เฒ่าผู้แก่เป็นประจำปีได้เวียนมาถึงอีกครั้งชาวเมืองก็พากันไปทำอย่างที่เคยเมื่อทำพิธีรดน้ำดำหัวท่านผู้เฒ่าณนะท่าน้ำหน้าเมืองแจ้หม่มซึ่งได้เล่นหัวกันเป็นที่สนุกสนานสำหรานใจเสร็จแล้วต่างก็พากันกลับสู่เย่าเรือนของตน ขณะนั้นเองได้มีผู้ไปพบไข่ประหลาดฟองหนึ่งวางอยู่ณริมหนองน้ำใหญ่ใกล้บริเวณนั้นมีลักษณะใหญ่โตผิดไปจากไข่อื่นๆที่เคยได้พบเห็นมาเมื่อต่างได้พิจารณากันถี่ทว่วแล้วคนทั้งหลายก็ลงความเห็นว่าเป็นไข่เงือกวิเศษและคิดว่าถ้าผู้ใดได้รับประทานไข่วิเศษนี้แล้วจะต้องเป็นผู้โชคดีแล้วก็มีความสุขความเจริญด้วยประการทั้งปวงก็เลยนาไข่วิเศษนั้นมาเรือน แล้วจัดการทอดไข่นั้นทันทีพลันความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเพราะปรากฏว่าไข่ที่ทอดนั้นได้ฟูขึ้นมามากอย่างประหลาดจนล้นภาชนะแม้จะได้ตวงออกใส่ภาชนะอื่นที่มีขนาดใหญ่เท่าใดไข่นั้นก็ยังคงฟูขึ้นจนตเต็มล้อนอยู่นั่นเองและเมื่อเป็นดังนั้นจึงต้องตักแบ่งออกแจกจายแบ่งปันกันรับประทานกันทั่วทั้งเมืองจนอิ่มเอิมกษมสันโดยทั่วไปยังมีหญิงไม้คนหนึ่งเป็นที่รังเกียจขอ้งคนทั้งหลาย เขาจึงให้ไข่ทอดที่เหลือเด่นจากคนอื่นแก่ผู้หญิงคนนั้นจะเป็นด้วยเหตุใดไม่ปรากฏหญิงไม้นไม่รับประทานไข่เหลือเด่นนั้นแล้วก็เททิ้งเสียวันรุ่งขึ้นได้มีชายหนุ่มผู้หนึ่งผิวพรรณงดงามแต่งกายเรียบร้อยเป็นสงา่าท่องเที่ยวสัญจรมาในเมืองได้ขึ้นไปขอน้ำรับประทานตามบ้านในเมืองทุกบ้านครั้นมาถึงบ้านของหญิงไม้ได้ขึ้นมาขอน้ำรับประทานแล้วก็กล่าวกับหญิงไม้ว่า ทุกบ้านทุกเรือนในเมืองนี้ที่เขาผ่านมาได้กลิ่นข้าวไข่ทอดทุกบ้านแต่ว่าที่บ้านของนางนี้เขาไม่ได้กลิ่นข้าวไข่นั้นเลยแม่นางไม่ได้รับประทานไข่เงือกทอดกับเขาด้วยหรอกเหรอหญิม่ายก็ตอบว่าเธอไม่ได้กินไข่เงือกทอดนั้นเขาเอามาให้เหมือนกันแต่เธอได้เททิ้งไปซะแล้วชายหนุ่มก็บอกกับหญิงไม้ว่าในคืนวันนี้ถ้าหากเกิดมีลมมีฝนรุนแรงขึ้น ก็ขอให้แม่นางจงขึ้นไปอาศัยอยู่เสียบนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งชายหนุ่มได้ชี้หมายบอกไว้ให้จะได้ไม่มีอันตรายใดๆว่าแล้วชายหนุ่มแปลกหน้าก็ลาจากไปครั้นตกเวลาค่ําวันนั้นเองท้องฟ้าก็เริ่มวิปริตบังเกิดลมพายุปันป่นป่วนพัดกันโชคมาจากทุกสารทิศยิ่งดึกก็ยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นลําดับท้องฟ้าก็มืดทะมึนวาแลบแปรปรับอย่างน่าสะพึงกลัว ในไม่ชา้าฝนก็ตกซัดสาดมาตามสายลมรุนแรงหนักขึ้นหนักขึ้นจนกลายเป็นเทกระนำอสุนีบาดก็วาดเปรียปร่ยงเปลี่ยนลงมาติดติดกันครั้งแล้วครั้งเล่าจนแผ่นดินสะเทือนพายุยิ่งพัดโหมรุนแรงหนักทวียิ่งขึ้นทุกขณะต้นไม้ใหญ่น้อยเหลือกำลังจะต้านทานแรงพายุที่โหมกระนำเข้ามาอย่างบ้าคลั่งก็หักโค่นระเนระน า, ลาดล้มฟ้าทับถมก่กองอาคารบ้านเรือนเสสุดล้มราบ พังพินาศย่อยยับเป็นผงคลีกระจายกระเจิงขณะนั้นท่ามกลางวิกฤตการณ์อันน่าสัพึงกลัวชาวเมืองทั้งหลายตกอยู่ในความประวัติท่านพึงสยองขวัญแทบจะหัวใจจะสลายเจ้าอําพองแนละเจ้ากับคําได้พิจารณาเห็นว่าถ้าหากขืนอยู่ต่อไปคงจะต้องประสบอันตรายอย่างใหญ่หลวงไม่พ้นได้ก็ต่างก็ขึ้นมา้าควบขับหนีออกจากเมืองมุ่งหน้าไปสู่ดอยสูงด้านทิศอุดรโดยด่วน และอีกทางหนึ่งเจ้าสุดใจแม่ศีเมืองเจ้าพญาเสือก็พิจารณาเห็นอันตรายก็จับม้าควบขับหนีรุดออกจากเมืองมุ่งหน้าออกไปทางทิศบุรพาหรือตะวันออกแล้วก็เลี้ยวขึ้นทางเหนือต่อไปวิกฤตการณ์โหดได้เพิ่มความรุนแรงหนักยิ่งขึ้นทุกขณะแพ่ขยายกว้างออกไปปกคลุมทั่วบริเวณเบื้องนภาอากาศฟ้าก็คารนคารามอย่างดุเดือดฝนเทอย่างหนัก ราวกับกระแสะแม่คงคาไหลบ่ามาจากสวรรค์น้ำเจิงนองท่วบชนอย่างรวดเร็วแล้วนาทีมหาโลกาวินาศก็มาถึงในบรรดลนก็เกิดเสียงกึกก้องกมปนาตแผ่นดินสะเทือนยวบยาบอสุนีบาทวาดกระหน่ำซ้ำซ้อนลงมาอีกสนานวันไหว่าพลางเมืองแจ้ห่มก็เขยื้อนเลื่อนไหวสุดยวบถลม่มลงใต้พื้นธรณีในทันที กระแสน้ำนองหลนปรีก็ไหลปรีลงมาท่วมทน้นรอยถล่มที่จมหายจนท่วมมิดไม่เหลือซ่าและพื้นผาแห่งดอยสูงอันเป็นส่วนที่รองรับม้าของเจ้าสุดใจที่กำลังขับมาตามหนีภัยอยู่ก็ซุดถลม่มจมลงใต้โทรณีมิดหายไปในเวลาเดียวกันเป็นอันว่าชาเมืองแจ้หม่มที่รับประทานไข่เงือกประหลาดก็มีอันต้องร่วมกันรับเคราะห์กรรมอันหนักในครั้งนี้โดยทั่วทุกคนอย่างไม่มีผู้ใดจะหลีกเลี่ยงได้ รุ่งอรุณของวันใหม่ท้องฟ้าโปร่งลมฝนสงบนิ่งอากาศแจม่มใสเงาไร้ายแห่งวิกฤตการณ์ไม่ปรากฏร่องรอยเหลืออยู่บรรยากาศเงียบสงบซบเซา ว, วังเวงและเยือกเย็นเหลือเกินคงจะมีแต่น้ำที่ท่วมนองอยู่เต็มทั่วบริเวณเมืองแจ้หม่มซึ่งเมื่อวานนี้ยังคับขั้งไปด้วยบ้านเรือนและคลาคล่ำไปด้วยผู้คนพลเมืองสัญจรไปมา ชั่วดวงอาทิตย์ลับฟ้าไปมือหนึ่งบัดนี้คงเหลือแต่น้ำเจิงนองอยู่เต็มแผ่นดินและซากต้นไม้ที่หักโค่นทับถมกก่กองอยู่แทนที่หญิงไม้ผู้ไม่ได้รับประทานไข่เงือกทอดก็ได้อาศัยต้นไม้ที่ชายหนุ่มแปลกหน้าชี้บอกไว้ได้รอดชีวิตอยู่เป็นสุขสืบมาบริเวณที่เมืองแจ้ห่มได้ถล่มลงนั้นได้กับบริเวณอันกว้างขวางที่ชาวบ้านรู้จักและเรียกกันในขณะนี้ว่าหนองเงือก คือเป็นบริเวณที่ได้ไข่เงือกและหนองใหม่หนองคกหลวงหนองบัวบึงหลมนะบริเวณอันกว้างใหญ่เหล่านี้ในปัจจุบันบางแห่งก็ตื้นเขินขึ้นมาชาวบ้านใช้เป็นที่ทำนาได้บ้างแล้วเป็นบางส่วนบ้างก็ยังคงเป็นหล่มอยู่โดยเฉพาะบึงหลมในส่วนที่เป็นใจกลางนั้นยังปรากฏว่าเป็นหล่มลึกอยู่มากมีผู้พบหลุมขนาดใหญ่เอาไม้ไผ่ลำยาวๆทั้งลำแย่ลงไปจนเม็ดก็ยังไม่ถึงก้น บึงนี้อยู่ตรงหน้าวัดอักโขชัยคีรีพอดีสถานที่เจ้าอัมพองและเจ้ากราบคำํำพร้อมด้วยมาคู่ชีพที่ออกจากเมืองไปถล่มลงสิ้นชีพทั้งสองท่านบนดอยลูกหนึ่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเป็นหลุมใหญ่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเขาเรียกดอยปู่ยักษ์และทางที่เจ้าแม่ขี่ผ่านตําบลหนึ่งทางทิศตะวันออกตาบล น, นั้นปัจจุบันเขาเรียกบ้านห้องลี่ สถานที่เจ้าสุดใจพร้อมได้มาคู่ชีพสุดถลม่มจนเสียชีวิตนั้นปรากฏร่องรอยปัจจุบันชาวบ้านเขาเรียกร่องสุดใจอยู่เหนือวัดผาแดงหลวงขึ้นไปเล็กน้อยสมัยต่อมาเมื่อมีเจ้าผู้ครองเมืองลำปางทางเจ้าผู้ครองได้ตั้งให้ญาติวงมาประจำอยู่เมืองแจ้หุม่มคอยดูแลเก็บสวยต่างๆส่งเข้าไปถวายเจ้าผู้ครองนครทุกปีเช่นสวยเมี่ยงขี้พึ่งเป็นต้น และเมื่อพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ประกาศใช้บังคับก็ได้มีการตั้งเมืองแจ้หม่มเป็นอำเภอแจ้หม่มแล้วได้ก่อสร้างที่ทำการอำเภอหลังแรกขึ้นณสถานที่ในป่าแดดตำบลแจ้ห่มเดียวนี้แต่ว่าอยู่คนละฟากหนองน้ำซึ่งชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหนองม่วงขอนั้นมีในเป้าไม่ทราบนามสกุลเป็นในอำเภอคนแรกสมัยนั้นราษฎรชาวบ้านเรียกที่ทาการอำเภอ ว่าสารอำเภอเรียกในอำเภอว่าเจ้าอำเภอแม้ปัจจุบันนี้คนท่าคนแก่บางคนก็ยังเรียกอย่างนั้นอยู่ที่ว่าการอำเภอหลังแรกตั้งอยู่ได้สามชั่วแนมอำเภอก็ต้องย้ายมาสร้างใหม่ณบริเวณวัดท่าเดือซึ่งเป็นวัดสร้างในเขตปงหอตำบลแจ้ห่มจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่ตัวอาคารที่ว่าการอำเภอนั้นเปลี่ยนมาหลายหลังแล้วอยู่มาถึงวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ด ได้เกิดอักคีภัยเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งไฟได้ลุกไหม้อยู่ประมาณสองชั่วโมงทุกคนได้ช่วยกันดับไฟแต่ไม่สามารถจะยับยั้งไฟได้เพียงแต่สกัดกั้นไม่ให้ไฟลุกลามไปอาคารอื่นเนื่องจากตัวอาคารเป็นไม้อยู่ในสภาพเก่าแก่แล้วก็ชำรุดทุดโทมมากอาคารอำเภอนี้มีอายุนานถึงสี่สิบห้าปี สาเหตุที่ไฟหไหม้ก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรแต่สันนิษฐานว่าเกิดจากสายไฟฟ้าเก่าถูกความร้อนจัดก็ละลายเกิดเป็นไฟลุกไหม้ขึ้นที่ว่าการอำเภอจึงได้ย้ายไปอาศัยห้องประชุมอำเภอเป็นที่ทําการชั่วคราวและในปีต่อมาก็ได้รับเงินงบประมาณจากกรมการปกครองมาสร้างอาคารหลังใหม่แทนแย่หฮมมีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวที่สําคัญก็คือน้ําตกแม่ซ้อน เป็นน้ำตกที่งามมากน่าชมอีกแห่งหนึง่งมีคนนิยมไปเที่ยวทัศนาจรกันมากไม่แพ้ที่อื่นๆอยู่ไกลจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศเหนือประมาณยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรสำหรับของดีของอำเภอแจ้ห่มนั้นนอกจากมีตำนานอันน่าอัศจรรย์แล้วก็ยังมีของดีที่น่าสนใจหลายอย่างคือหนึ่งเป็นดินแดนที่ผลิตยาสูบพื้นเมืองออกจาหน่ายได้มากที่สุดส่งออกไปขายยังหัวเมืองต่างๆอย่างแพร่หลายแล้วก็มีชื่อเสียง สองมีอาหารชนิดหนึ่งเรียกว่าน้ำปูใช้ผสมกับสิ่งอื่นรับประทานชาวอำเภอแจ้ห่มได้ผลิตอย่างเป็นลํำเป็นสรรแล้วก็มีคุณภาพดีกว่าของที่อื่นมีรสดีเป็นพิเศษสามที่คุยแล้วทำให้ผู้ชายรู้สึกมีชีวิตชีวาก็คือแจ้หม่มนั้นมีผู้หญิงสวยที่มีหลักฐานจากการที่มีผู้ชนะการประกวดนางงามแล้วก็เทพีต่างๆอยู่เสมอสมะขามหวานเป็นมะขามที่มีรสชาติดี าชาวแจ้ห่มภาคภูมิใจช่วยกันส่งเสริมให้มีปริมาณมากยิ่งขึ้นเป็นที่เชิดหน้าชูตาของเมืองจึงมีคำพังเพยเป็นคำขวัญชาวแจ้ห่มไว้ว่ายาคืนน้ำปูล้ำสาวงามมะขามหวานที่นี่มาถึงความเป็นมาของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณซึ่งทรงพระนามว่าหลวงพ่อพระพุทธมงคล น, นิมิตมีการย้ายสถานที่มาถึงห้าครั้งแล้วอ่า เพราะกำลังมีการสร้างโบสถ์ให้ท่านประทับเป็นองค์ประธานอยู่ที่วัดเชียงมั่นตาบลแจ้หม่มจังหวัดลำปางที่ว่าย้ายห้าครั้งนั้นครั้งแรกหลวงพ่อพระพุทธมงคล น, นิมิตท่านประดิสถานอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครจำชื่อได้เสียแล้วขั้นการนานต่อมาปรากฏว่าถูกน้ำเศาะตลิงพังทั้งวัดและบ้านก็ย้ายลงไปอยู่ในแม่น้าผู้คนในสมัยนั้นก็อัญเชิญหลวงพ่อ พร้อมชาวบ้านทั้งปวงอพยพในที่แห่งใหม่แล้วได้ประดิษฐานหลวงพ่อไว้ที่วัดท่าเดือซึ่งปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอยังมีหลักฐานเป็นซากปรักหักพังเป็นโบราณสถานอยู่ในสมัยที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึงถิ่นนี้ชาวบ้านได้พบกรุพระจำนวนมากแล้วก็ต่างพากันเอาไปกราบไหว้บูชากันครั้งที่สามที่ประดิษฐานของหลวงพ่อถูกน้าเาะตลิงพังลงอีก ก็มีการย้ายท่านมาอยู่ที่บ้านฝั่งมีนหรือวัดฝั่งมีนปัจจุบันลมสลายกลายเป็นหนองน้ําไปแล้วจําเป็นต้องย้ายหลวงพ่อต่อไปปฏิสถานยังวัดใหม่เป็นครั้งที่สเรียกว่าวัดป่าแพ่งห่างจากวัดเชียงมั่นประมาณหนึ่งกิโลเมตรซึ่งบัดนี้ยังมีหลักฐานเป็นโบสถเก่ามีพระพุทธรูปสัมฤธิ์มากมายชาวบ้านก็ขุดเจอกันมากก็นําไปบูชาแต่วัดป่าแพ่งนี้ก็อยู่ใกล้น้ําอีกสร้างมานานแล้วน้ําเซาะตะลิงพัง วัดพังลงไปในแม่น้ํำวังแสดงว่าหลวงพ่อท่านมีเวรกรรมกับน้ํำเจรินไปประทับที่ไหนก็เจอน้ำซ้อตลิงพังทุกทีไปน่าสงสารคราวนี้ทุกคนก็คงไม่ปล่อยให้ท่านหนีน้ําอีกชาวแจ้หุ่มเองก็คิดอย่างนั้นก็พร้อมใจกันอัญเชิญท่านมาประทับอย่างที่แห่งใหม่ท่ามกลางป่าไม้อันร่มรื่นเป็นที่น่าอยู่อาศัยต้นโพธิ์ที่ถูกพายุพัดหักโค่นล้มเมื่อหลายร้อยปีก่อนยังเหลือซากให้เห็น ว่าแต่เดิมนั้นเคยเป็นวัดเก่าแก่โบสถหลังเก่าชํารุดทุดโทรมผุพังจนต้องรื้อออกสร้างกันใหม่ในขณะ น, นี้แต่ครั้งเป็นวัดเก่ามีเนื้อที่ประมาณเจ็ดสิบไร่เพราะความเก่าจนถูกทิ้งเป็นวัดร้างนี่เองชาวบ้านทํานาไม่พอกินก็บุกรุกที่วัดเป็นที่นาเรื่อยๆมาจนบัดนี้เหลือเพียงแปดไร่เท่านั้นตำนานเดิมของวัดเชียงมัน่นนี้เป็นสถานที่อยู่ห่างจากเมืองแจ้ห่มล่มเมื่อหลายร้อยพันปีก่อนไปประมาณพันวา เจ้าเมืองในสมัยนั้นเห็นสมควรเป็นสถานที่เก็บสมบัติไว้ให้ปลอดภัยก็เลยเอาสมบัติมาฝังไว้ในบริเวณวัดเชียงมั่นตามที่มีหลักฐานอยู่ในลายแทงเมื่อพระอาจารย์มนัจจะตัมโลท่านทุดงมาพบกับวัดเชียงมั่นร้างนี่ก็ปักหลดด้วยเจตนาจะรื้อฟื้นวัดนี้ขึ้นมาใหม่ได้ทำการบูรณะมาตั้งแต่พศสองห้าสองได้เชิญคุณผิวผู้เป็นร่างทรงของเสด็จปู่ท้าวเวสุวรร มาช่วยดำเนินงานสเสด็จปู่ทะเวสุวรรณผู้เป็นประธานตามคำเชิญก็เริ่มต้นตามพิธีกรรมของท่านโดยให้ตั้งศาลเจ้าวัดขึ้นได้รื้อบทเก่าใช้การไม่ได้ออกชี้สถานที่ให้สร้างใหม่แล้วก็ทำการชักชวนลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือท่านตลอดจนร่างทรง ท, รงทั้งหลายจะเจดินพระป่าไปทอดทุกปีจนโบสถ์ใหม่เป็นรูปร่างขึ้นจะทาการยกช่อฟ้าในวันออกพรรษาปีใดปีหนึ่งแล้วก็โบสถ์หลังนี้แหละก็จะเป็น ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธมงคล น, นิมิตอันถาวรสื่อไปไม่ต้องโยกย้ายระเหเร่ร่อนหลวงพ่อพระพุทธมงคล น, นิมิตที่เล่ามา น, นี้ถ้าพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนทั้งใกล้และไกลยอยู่ไม่น้อยอ่ามาอธิษฐานขอต่อท่านการขออะไรต่อท่านนั้นก็ควรที่อยู่ในขอบเขตที่จะเป็นไปได้และเป็นไปในทางที่ดีมีศีลมีธรรมท่านจึงจะบันดาลให้สมความประสงค์ครับ มาฟังชาดกกันสักเรื่องหนึ่งครับชาดกเรื่องนี้ถอดความมาจากกุตะวานิธทุกณิบาศครับซึ่งมีคติธรรมสอนให้คนเรารู้ว่าการใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงแก่คนอื่นได้นั้นอย่าเพิ่งนึกว่าจะหลอกเขาได้ฝ่ายเดียวนะครับในเมืองพรณนศีมีพ่อค้าสองนายแต่เดิมก็คบค้าไปมาหาสู่กันเป็นที่สนิทสนมกันมากคนนึงเป็นชาวกรุงคนหนึ่งอยู่บ้านนอกอ่า เสร็จแล้วก็มีการค้าขายติดต่อกันมานานคราวหนึ่งพ่อค้าบ้านนอกนี่ก็เอาผานผานก็คือเหล็กสำหรับสวมหัวหมูเครื่องไถนานี่มาฝากเก็บไว้ที่บ้านพ่อค้าชาวกรุงเสร็จแล้วก็ไปทําธุรกิจทางอื่นซะหลายวันอยู่ทางนี้พ่อค้าชาวกรุงก็เกิดโลภลืมนึกถึงความเป็นเพื่อนเก่าก่อนก็รอบจากการเอาผานพวกนี้ไปขายทั้งหมดเลยผานเหล็กพวกนี้ แล้วก็ยักยอกเอาเงินที่ขายได้นั้นมาเป็นประโยชน์ของตนเองเสียต่อจากนั้นก็เอาขี้หนูมาเกลี่ยทิ้งเอาไว้ในบริเวณสถานที่เก็บผานเหล็กเหล่านั้นเป็นการลวงว่าหนูกินผานหมดแล้วก็ถ่ายมูลทิ้งไว้เป็นประจักษ์พยานการทำอย่างนี้ก็โดยเข้าใจว่าพ่อค้าบ้านนอกในไม่ฉลาดเท่าทานันกับตัวคงจะหลอกลวงได้ง่ายวันต่อมาพ่อค้าบ้านนอกก็กลับมารับผานของตัวที่ฝากเอาไว้ พ่อค้าชาวกรุงก็ตีสีหน้าเศร้าก็เริ่มใช้ลิ้นหลวงผานของแกน่ะหนูกินหมดแล้วเสร็จแล้วก็ชี้ดูขี้หนูในที่เก็บผานเป็นเครื่องประกอบคําพูดตามแผนการที่วางไว้พ่อค้าชาวบ้านนอกไหวายทันก็รู้ว่าถูกยักยอกหลอกลวงซะแล้วแต่ก็ยังแกล้งทําเป็นโง่ไม่รู้เท่าทันด้วยคิดจะวางแผนแก้เผ็ดเพื่อนทรยศชาวกรุงคนนี้ให้รู้สึกซะบ้างก็เลยทําเป็นใจดีแกล้งพูดบอกว่า อ, อหนูมันกินไปหมดแล้วก็ช่างมันเถอะจะไปทำยังไงได้อ่ ะ, อะครั้นคิดหาทางที่จะสอนคนเพื่อนพ่อค้าชาวกรุงได้แล้วก็ออกปากชวนลูกชายคนเล็กของพ่อค้าชาวกรุงทําทีว่าจะพาไปอาบน้ําที่ใกล้อ่าใกล้บ้านนั่นแหะมันมีแม่น้ําแต่ความจริงหาได้พาเด็กไปอาบน้ําไหมเพราพาไปที่บ้านเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้แม่น้ําสายนั้นแล้วก็ขอให้ช่วยควบคุมตัวเด็กนั้นไว้ อย่าให้ไปไหนบังคับให้เด็กนั้นอยู่ในในห้องแล้วตัวเองก็ไปอาบน้ําเสร็จแล้วก็กลับไปยังเรือนของพ่อค้าชาวกรุงขี้โกงพ่อค้าชาวกรุงผู้เป็นพ่อไม่เห็นลูกชายตัวกลับมาก่นแทะแคลงใจก็ถามว่าอา้าวลูกชายข้าไปไหนล่ะพ่อค้าบันนอกก็ทําสีหน้าเศร้าๆแล้วก็บอกว่าเออสหายเอ้ยตอนที่ฉันให้ลูกชายของแกนั่งรออยู่ริมฝั่งแล้วฉันก็ดําลงไปในน้ําอะมีเหยื่ยวตัวหนึ่งมันบินมาเฉียว เอาลูกชายของแกขึ้นไปในอากาศฉันพยายามปรบมือส่งเสียงร้องเรียกให้เหี่ยวตกใจแล้วปล่อยลูกชายแกสักเท่าไหร่มันก็ไม่ปล่อยไม่สามารถจะช่วยอะไรได้พ่อค้าชาวกรุงรู้ทันว่าเพื่อนจะเล่นซ้อนกลนก็มีความโกรธแกโกหกเหวี่ยวที่ไหนมันจะมาโฉบเฉี่ยวเด็กตัวโตเบ้อขนาดนั้นไปได้พ่อค้าบ้านนอกก็บอกว่าอู้จะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เถอะแต่ข้าก็ไม่รู้จะทํายังไงจริงๆ ลูกชายของแกถูกเหวี่ยวมันคาบเอาไปแล้วพ่อค้าชาวกรุงโกรธจัดตาวาดแกมันไอโจรใจไรฮะฆ่ามนุษย์กจะไปฟ้องแกที่ศาลเดียวนี้ละ่ะว่าแล้วก็เดินออกไปพ่อค้าบ้านนอกก็กล่าวบอกว่าแกพูดตามใจของแกข้างเดียวว่าแล้วก็เดินตามพ่อค้าชาวกรุงมุ่งไปยังศาลด้วยกันพ่อค้าชาวกรุงไปถึงศาล ก, ก็เป็นโจทย์กล่าวฟ้องต่อตุลาการเจ้านายครับ พอค้าบ้านนอกคนนี้ชวนลูกชายของกระผมไปอาบน้ําที่แม่น้ําแล้วเขาทายังไงไม่สราบลูกชายกระผมหายไปครั้งกระผมถามหาลูกชายเขาก็บอกว่าถูกเหี่ยวเฉียวเอาไปแล้วทั้งๆ ท, ที่ลูกชายของกระผมอายุหกเจ็ดขวบแล้วตัวโตล่ําสันขอท่านได้โปรดวินิจฉัยคดีให้กระผมด้วยนะครับท่านตุลาการก็ถามพ่อค้าชาวบ้านนอกผู้ตกเป็นจําเลยเจ้าพูดอย่างนั้นเป็นความจริงเหรอเออเจ้านายครับ กับผมเป็นคนพาลูกชายของเขาไปอาบน้ําจริงครับท่านตุลาการก็ซักเข้าประเด็นว่าก็ข้อที่ลูกชายเขาถูกเยี่ยวเฉี่ยวเอาตัวไปน่ะเป็นความจริงหรือเปล่าเออเป็นความจริงครับก็เรื่องเหยี่ยวเฉี่ยวเอาเด็กตัวโตๆไปได้นะ่ะมีหรือในโลกนี้ฮะเออท่านครับกับผมขอกราบเรียนถามท่านว่าถ้าเยี่ยวไม่สามารถจะเฉียวพาเด็กไปได้ แต่หนูเนี่ยกินผานเหล็กนี่จะได้ไหมขอรับท่านตุลาการไม่ทราบความเดิมก็ซักถามว่าไอ้ที่เจ้าพูดนี่มันเรื่องอะไรกันจำเลยก็เล่าความเดิมมาเจ้านายขอรับเดิมกระผมเอาผานเหล็กไปฝากเก็บไว้ที่บ้านของโจดครั้นถึงเวลากระผมมาขอรับผานโจดก็บอกกระผมว่าหนูกินผานจะหมดแล้วชี้ให้ผมดูขี้หนูบอกว่านี่คือขี้หนูที่มากินผานขอ ง, ของกระผมเรื่องเป็นอย่างนี้ละครับ ถ้าหนูกินผ่านได้เ ย, ยวก็ต้องเฉียวเอาเด็กไปได้ถ้าหนูกินผ่านไม่ได้เ ย, ยวก็เฉียวเอาเด็กไปไม่ได้แต่โจดผู้นี้ยืนยันว่าหนูกินผ่านได้หรือไม่ได้เนี่ขอท่านได้โปรดวินิจฉัยคดีให้แก่ผมด้วยเถอะครับท่านตุลาการผู้ทรงคุณธรรมได้ฟังอย่างนั้นก็อย่างรู้ถึงเล่ห์เหลี่ยมของพ่อค้าทั้งสองได้ตลอดก็ น, นึกชมจำเลยเออมันช่างคิดกลซ้อนกลได้อย่างเจ็บแสบชนิดที่เรียกว่าเกลือจิ้มเกลือดีนัก ท่านก็เลยกล่าวบทวินิจฉัยที่คิดกนลวงตอบคนลวงนั้นก็ช่างคิดดีดอกที่ทำโกงตอบคนโกงนั้นก็เป็นการตอบแทนที่สาสมกันหรอกถ้าหนูกินผานเหล็กได้แล้วทำไมเหี่ยวจะเชี่ยวเด็กไปไม่ได้ละ่ะแต่ว่าเขากงแล้วเราไปโกงตอบก็เรียกว่าเป็นคนโกงด้วยกันทั้งสองฝ่ายเขาลวงไปแล้วลวงตอบก็เป็นคนลวงด้วยกันทั้งคู่ไม่มีใครดีสักคน เพราะฉะนั้นคนที่ลูกหายก็จงคืนผานให้กับเจ้าของผานเขาเสียคนผานหายก็อย่าเอาลูกเขาไปจงเอามาคืนพ่อเขาเสียเมื่อจบคำพิพากษาแล้วโจทก์จับจำเลยก็ประนีประนอมยอมชดใช้แล้วก็คืนของกลางให้แก่กันเป็นอันว่าคนที่ลูกหายก็ได้ลูกคืนคนผานหายก็ได้เงินตอบแทนเป็นค่าผานสมค่าโดยความเที่ยงธรรมของตุลาการด้วยประการศนีครับ